พระธรรมเทศนาลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าความสำคัญของบุคละสัปายะวันนี้เป็นวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวัน รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวานมาถึงวันนี้แต่ก็ไม่ถึงกับลำบากถ้าจะว่าพอดีไหมหลวงพ่อว่าจัดว่าพอดีนะขณะนี้อากาศพอดีๆกาลังเย็นสบายๆแต่กลางคืนก็รู้สึกหนาวไปสักหน่อยตอนเช้าก็เย็นแต่กลางวันก็อยู่สบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาว ไม่ร้อนเกินไปอันนี้ในหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุตุสัปายะอุตุสปายะอากาศเป็นที่สบายอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นเป็นการเสริมในการประพฤติธปฏธิบัติธรรมถ้าอากาศร้อนเกินไปก็อยู่ลำบากอากาศหนาวจนเกินไปก็อยู่ลํลำบาก อันนี้ว่อากาศช่วงนี้เป็นช่วงที่พอดีพอดีแต่เราอยู่ใต้ฟ้าจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างก็คงจะเป็นไปไม่ได้บางครั้งก็เกินไปบางครั้งก็ต่าเกินไปสูงเกินไปจะพอดนะีโดยมากหายากนะบอกสปายะ สัพปปยาคือคือเป็นที่สบายในหลักของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอุตส่ปหาสพยะอากาศเป็นที่สบายอาหารสัพปปะยะอาหารอาหารการบริโภคไม่ฝืดเคืองอ่เป็นที่สบายเสยนาสนะสัพยะเสนา ส, ปปะะสนาสะนคือที่อยู่อาศัยอยู่ในที่สงบสงัด ที่หลีกเล้นที่ไม่พกผ่านบุญวายไม่อึกรกะทึกคลึกโคมไม่บุญวายกับคู่คนจนเกินไปอันนี้นรียกว่าเสนาชนะส ป, ปายะเสนาชนะเป็นที่สบายแต่ในปุคคลส ป, ปายะบุคคลเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายคืออยู่ด้วยกันไม่ขัดแย้งกัน ไม่มีความเห็นแตกแตก ต, ต, ต่างกันแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแวงกันมีความเห็นต้องการภาวนาต้องการหาความสงบไม่ลังแก่เบียดเบียนกันไม่มองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่เหตุผลทำไมคนคนนั้นทันนองค์นั้นคุณคนนั้นทาไมจึงทาอย่างนี้ เราก็ต้องมองในแง่เหตุผลว่าเออเขาไม่สบายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขากำลังเร่งความเพียรหรือเขากำลังไม่สบายอยู่หรือว่าเขากำลังมีธุระที่จะต้องจัดทำในจุดนั้น อ, อันนี้เราต้องมองในแง่เหตุผลไม่ใช่ว่าตัวเองอยากจะทำอะไรก็ให้หมูทำอย่างที่ตัวเองต้องการาแต่ว่ า, าคนที่ อยู่ด้วยกันมันก็ต้องมองกันอีกเหมือนกันในขณะนี้เขาต้องการอยากจะให้เราช่วยอะไรเราเขาจะให้เราช่วยแต่เราไม่ช่วยมันก็ไม่ถูกเพราะเหตุใเพราะว่าเราเขามีความจาเป็นเขาจะต้องรวมพลังรวมกันช่วยกันช่วยกา ร, ช, การช่วยงานช่วยกันที่จะดูแลจัดการเรื่องงานนั้น อันนี้เราก็ต้องรู้จักการละการสถานที่บุคคลเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาทำการทำงานหนักหนาทำสาธารณประโยชน์ช่วยกับวัดตัวเองไปนั่งภาวนาอยู่อันนั้นขอนมันก็ไม่ถูกเราต้องรู้จักการสถานที่บุคคลอันนี้ก็คือปุระสปายะมันมากมายหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ถ้าว่า อกระไม่สับปายะเนี่ยมันขวางกันการภาวนาเนี่ยมันจะหาความสงบทางด้านจิตใจลําบากมากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าสับปายะทั้งหลายทั้งมวลทุกอย่างก็สับปายะก็ดีดีหมดทุกอย่างอย่างเสนาสะนะสับปายะสถานที่สงบสงัดอาหารสับปายะอาหารเป็นที่สบายอุตุสับปายะอากาศเป็นที่สบาย เ ส, สนาสนปปะสปายะและวว็ปุคระสปายะเนี่ยบุคคลเป็นที่สบายแต่ลุงพ่อสรุปละด้วยลรงพ่อเองนะไม่ได้ในหลักธรรมนั้นาไม่ได้ว่าอะไรแต่ลุงพ่อสรุปว่าปุคระสปายะเนี่ยจะเหนือกว่าใครทั้งหมดทำไมถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ให้ความอบอุ่นให้ความดูแล หรือว่าหมู่พกเพื่อนให้ความอบอุ่นมองกันในแง่เหตุผลอันนั้นเรียกว่าปกคระงสัพยะบุคคลเป็นที่สบายมันจะอบอุ่นถึงจะลำบากอาหารการบริโภคไม่เพียงพออย่างไรก็ดูด้วยกันด้วยความผาสุกจะเสียงอึกกระทึกก็โคมอย่างไรภายนอกแต่ว่าอยู่ด้วยกันต่างคนต่างหลบหลีก หาที่มุมมุมสงบของใครของเราคือมีทุกคนทุกองมีแต่อยากจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารเนี่ยมีเบนเข็มทิศไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกับเข็มเข็มทิศมันชีไปทางทิศเหนืออย่างนั้นะถึงจะหมุนยังไงมันก็ชี้ไปทางทิศเหนือเพราะอะไรเพราะมันทางทิศเหนืออยู่ทางนู้นเราก็เหมือนกันเข้ามาบวชหรือเข้ามาปฏิบัติธรรมถึงจะปฏิบัติยังไง เราก็เบนไปทางทางพ้นทุกข์ยังไงยังไงก็ให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารให้ถึงพระนิพพานเป็นที่สุดถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจมีความตรงต่อมรรคผลนิพพานเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ไม่มีปัญหาถึงจะหนักยังไงเบายังไงภายนอกแต่ก็ยังก็ยังมี ยังจุดนั้นคือจุดเด่นของเราอันนี้คือการอยู่คุกคลีสิ่งภายนอกแล้วก็พอทนไหวอาหารพอทนไหวอ่าอากาศก็พอทนไหวแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันนี่ยถ้าไม่ปีนเกี่ยวกันหรือไม่เข้าใจกันจุดนี้มันขวางในจิตในใจนะอมันขวางอยู่ในลึกๆในจิตใจ เพราะนั้นหลวงพ่อว่าปุขระสัปไยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้จิตใจของเรากระเพื่อมหรือขุนมัวหรือทําให้จิตใจของเราไม่ได้รับความสงบไม่เป็นไม่พาสดุไม่สัพปไปยะไม่พาสุดเนี่แหละคือเรื่องปุคละเรื่องบุคคลเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอก กล่าวการอยู่ด้วยกันต้องมองกันในแง่เหตุผลอย่าไปใช้อารมณ์โว้ววามตัวมีตัวเองมีอำนาจจะพูดอะไรก็พูดไปโดยไม่คิดไม่อ่านอันนั้นไม่ได้นะแปบลบว่าผิดกระเทือนกระเทือนหมู่คณะแต่ถ้าตัวเองเป็นผู้น้อยละ่ะคนผู้ใหญ่ที่เขาเคยพูดให้เราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราจะไปพูดกระทบกระเทือนผู้น้อย ที่อายุพรรษาน้อยกว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดย้อนหน้าย้อนหลังคิดดูตัวเองเทนท่าว่าคนโง่มันคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันอนะ่ะอถ้าคนโง่นะถ้าอยู่อยู่เป็นผู้น้อยก็อยู่แบบง โ, งโง่โง่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ก, ก็อยู่เป็นผู้เบ็ดผู้ใหญ่ยยงโง่โง่อีกอันนี้ใช่ไม่ได้ออันนี้ตลวงพ่อสอนให้คิดนะเรื่องปุคระสัปายะเี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญ ไม่จำเป็นอย่าพูดไม่จำเป็นอย่าไปพูดกัะแนกแหนอย่าไปพูดทำให้คนอื่นไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องสารวมระวังเรียว่าสัปปายะแต่ถึงยังไงเราต้องเบนเข็มทิศอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเข็มทิศมันต้องชี้ไปทางทิศเหนือ เอาทิศเหนือเป็นหลักถึงจะเบนไปทางไหนมันก็ชี้ไปทางทิศเหนือนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเรามีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอะไรเราเข้ามาบวชเพื่อการอยากจะให้มีชื่อเสียงมียศมีลาบมียศมีสรรเสริญอย่างนั้นใช่ไหมเราได้ไปแล้วเพื่ออะไรเราได้ไปสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร เราสร้างขึ้นมาแล้วเขาสร้างขึ้นมายิ่งหรูหรากว่าเราแล้วก็ได้อะไรนี่สิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นมากับเพื่อเป็นที่พักผ้าอาศัยเพื่อให้มผู้ได้ปร ะ, ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เราเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดในการดูแลจุดนี้ในเมื่อเราอยู่จุดไหน เราก็ต้องดูแลจุดนั้นให้ดีที่สุดแต่ความมุ่งมั่นในใจของเรานั้นเรามุ่งหวังความโพทุกในวัฏฏสงสารจะทำยังไงจึงจะสลักกิเลสภายในใจของเราให้หลุดออกไปให้เป็นจิตใจที่เป็นเป็นเป็นไทยใจที่เป็นไทยไม่ควบคุมโดยกิเลสราคะโทสะโมหะ จะทำยังไงเราจึงจะสลัดออกจจุดนั้นได้นี่แหละอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เขาเป็นนักพจนักบวชที่เป็นนักบวชผู้เป็นแนวหน้าผู้หวังพ้นทุกในื้วัตตะสงสารต้องคิดอย่างนั้นไว้อยู่เสมออย่างที่หลวงพ่อพูดว่าเขาเลี้ยงนกกระทาไว้ในกรงเขาจะมีอาหารดีขนาดไหนไว้ในกรงไม่ให้ขาดตปกปกพองอาหารนกกระทากินอะไรเขาเอาไว้ทั้งหมด ไว้ในกรงแต่นกกระทนไม่คุ้นเชื่องในกรงพอกินอาหารตอดตอ ด, ตอดกินอาหารเสร็จแล้วก็นนะั้นเอาจะงอยปากจิ้มลูลูกกรงจิ้มจุดตลอดเวลาทั้งวัน เ, เป้นเสีตะการคืนไม่เห็นแนละ้วก็ น, นอนพอตื่นขึ้นมาแล้วเอางอยปากจิ้มลูลูกกรงจิ้มทำไมเพราะมันหาทางออกอมันหาทางออก พอเจ้าของเผือปิดฟ้ากงเมื่อไหร่มันก็บินบินปอเลยออกเลยนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพวกเราจะจะเป็นนอนคุ้นเชื่องในกรงมีตะหมนะูเขาเลี้ยงไว้ในกรงเอาอาหารดีๆมาเอาน้ำรดเข้าไปมีตะนอนเอือบเอือบเหมือนหมูนะแต่พอวันดีคืนดีมันตัวใหญ่ขึ้นได้ขนาดแล้วนนะ เขาก็ลากหมูออกมาลจากนั้นก็ค้อนทุบหัวหัวแล้วกัมีดเฉือนคอนี่แหละเราจะให้เหมือนหมูให้เหมือนนกกระทานกกระทาเนี่ยใครเข้ า, าจิ้มลูกกองอยู่ตลอดทั้งวันหาทางออกพอเจ้าของเผลอปิดกองเมื่อไหร่ก็ป่องเลยบินเลยนี่ก็เหมือนกันจิตใจของเราจะทํายังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารจะทํายังไงจึงจะออกจากกิเลส พราคาโทสะโมหะออกหาทางพ้นทุกได้หัวหาช่องหาทางอยู่ตลอดเดินโยกมดั่งสมาธิภาวนาถึงจะทํากิจระการงานอะไรก็ตามถึงจะทํายังไงก็ตามมีสติสัมปชัญญะในงานนั้นๆในเมื่อเราคิดมีความมุ่งมั่นเข็มทิศเขาของเราชี้ไปทางทิศเหนืออยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดนั่นแหละเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ไม่หนักหนาเพราะเหตุใด เพราะเราไม่อยากจะอยู่ในโลกจะทำยังไงลื ง, ลงจึงจะนี้จากโลกอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดว่าจะมาได้ลาบไ ด, ได้ลาบได้ยศอยากจะให้คนสนะเสริญเยนยออยากจะได้สุขแบบอยู่แล้วกินกินแล้วนอนอยู่ในอยู่ในโลกนะเราจะไม่คิดอย่างนั้นผู้ที่หวังพ้นทุกขนะ์เป็นเสียรวัลผู้หวังอยู่ในวันะสงสาร หวังอยู่ในโลกวัะสงสารนะเอออันนั้นเหมือนกับหมูแล้วก็ น, นอนมีอาหารกินกบ น, นอนแบบหมูผลที่สุดก่อนถึงได้เวลากว่เาเขาเฉือนคอตายไปชาติหนึ่งเกิดมาอีกมาก็มาเป็นหมูอีกอยู่ยังในกรงอีกเจ็ดวัก็มาถึงขนาดแล้วก็จัดการอีกก็มาเกิดเป็นหมูอีก เราจะเป็นอย่างนั้นเหรือซ้ำซากนะเพราะนั้นทักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบกมีช่องทางมีช่องทางที่พวกเราจะพ้นทุกในวัฏสงสารได้ให้ศึกษาให้ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีช่องมีทางที่จะทำอย่างไงจึงจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัะสงสารได้อย่างล้งตามหาบัวนั้นบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว เราจะมาเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นอนันตการที่จะททำให้มาเกิดนั้นเราชําระแล้วเราจัดการแล้วเราล้างออกจา ก, กจิตใจของเราแล้วคือกิเลสโลภโกรหลงราคะโทสะโมหะเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรานำมากับมาเกิดอีกนั้นไม่มีเพราะเราจึงยืนยันว่าชาตินี้เป็นชาติท้าย ได้เผาร่างกายของเราเป็นครั้งสุดท้ายนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัดอย่างนั้นเหมือนกันพระพุทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนกันเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านภาวนาท่านรู้แก่พระไทยและรู้แก่ใจของแต่ละแต่ละท่านนะท่านว่าหมดจดทสิ่งทีจ่จะทำให้เกิดนั้นชาระแล้วเหมือนกับเมล็ดข้าว อะไรเมันพามาเกิดมเมล็ดข้าวกระเทาะเปลือกมันออกเอาข้าวมันนึ่งใช่หมมันสุกไปเอาไปปลูกใช่ไหมันปลูกไม่เกิดไงเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อมันเชื้อมันหมดแล้วเชื้อจะพาให้บุบเกิดแต่มันหมดนี่ก็เหมือนกันใจของเราต้องใช้แตะประธรรมคือศีลสมาธิปัญญามาถลุงมาหูมาต้มให้มันสุกเมื่อใจสุกแล้วนั่นแหละเชื้อกิเลสราคะโทสะโมหะออกไปหมดแล้วนั่นแหละ ท่านว่าใจบริสุทธิ์สิ่งที่จะพาให้เกิดไม่มีหมดเชื้อเนี่ยว่านนิพพานังประมังศุนย์อย่างศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดนั้นไม่มีอีกแล้วนะนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายได้หลายอย่างผู้ที่จะคลองเรือนก็มีท่านก็สอนคลองเรือนอย่างไรจึงจะผาสุก คือสามีควรทาอย่างไรภรรยาควรทําอย่างไรสามีปฏิปพฤติตนอย่างไรภรรยาควรประพฤติตนอย่างไรลูกควรจะทําอย่างไรพ่อแม่ควรจะทําอย่างไรพระพุทธญาติสอนไม่หมดผู้ถือจะคลองเรือนผู้ที่จะพ้นทุกจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธญาติก็สอนอีกเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาเรื่องอะไรในหลักของพุทธศาสนามีมากลากหลายถ้าพวกเรา ศึกษามุมหนึ่งจะไป็นตำหนิหมุมหนึ่งก็ไม่ได้นะเรียกว่ามองแคบผงต้องมองกว้างต้องศึกษาให้กว้างๆถ้าเราศึกษาของกวาง้กวางแล้วหลักของพุทธศาสนาในกว้างขวางมากเป็นหลักศา ส, ส, ส, สนาเหตุผล เ, เราจะทําเราจะเอามุมไหนได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเป็นชาวนาหรือเราจะเป็นชาวสวนเราจะเลื่อนเราจะขายของ หรือจะเป็นข้าราชการระดับไหนหมีให้เลือกหมดแต่สุดแท้แต่ความสามารถของเราตนเองเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนหรับพร อ, อ, นอนุโมทนาให้พร